บทที่149ทั้งหมดลุยข้ามลำธารแคบๆที่ไหลเลื่อยประดุดงูสีเงินตัดผ่านทุ่งหญา้าเกลียนเป็นระเบียบเหมือนสนามกอล์ฟนั้นไปสู่อีกฝากหนึ่งในขณะที่นีลาและไพรพลของมันยืนรวมกลุ่มเฝ้ามองอยู่เงียบๆโดยมีพรานใหญ่เป็นคนสุดท้ายคอยดูความเรียบร้อยอยู่เบื้องหลัง บุญคำกับจันเป็นคู่หลังสุดที่จะก้าวลงลำธารแต่ถ้าวางแผนการไว้เรียบร้อยแล้วที่จะต้องแก้แค้นเจ้านีลาให้ได้ตามใิจเจ้าเล่เพทุบายแล้วไม่ยอมเสียเชิงนักเลงให้แกใครประชาเรืองเห็นครานใหญ่ผู้เป็นนายยืนอยู่ข้างหลังเป็นหลักประกันให้กกแกเป็นอย่างดีแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจก่อนที่แกจะก้าวตามจันลงไปในนา้า ก็คำเณนมองเป้าไม้ระหว่างขาของเจ้านีลาผู้ยืนจังก้าสองขาอยู่ใกล้ๆเหวี่ยงลูกหลังแบบจระเข้ฟาดหางพับเข้าไปตรงเป้าหมยอย่างแม่นยำแล้วก้าวหนีลงน้ำไปโดยเร็วไอ้นีลาผู้หลวมตัวเสียทีขู่อะไรร้องเจี๊ยกออกมาจริงๆกระโดดโยงจนตัวลอยแล้วเต้นโยงเยิงเป็นเจ้าข่าวส่งเสียงโวกวากอย่างเป็นเดือดเป็นแค้นแต่ก็ไม่ทันฉะละ เพราะตะบุญคำผลักคานหาดดุนจันซึ่งหามอยู่เบื้องหน้าให้วิ่งหัวสุนหนีออกไปกลางน้ำพร้อมกับหัวรอคิกคักอย่างชอบ อ, อกชอบใจมันจึงเหลียวซ้ายแหลขวาอย่างรวดเร็วแล้วก้มลงคว้าก้อนหินใกล้ๆลูกเขืองขนาดครกขึ้นมาชูเหนือสีสษะหมายจะทุ่มตามหลังบุญคำไปชนิดที่ถูถกคอก็คงคอหักแต่แล้วมันก็ต้องชะงักแยกเขี้ยวยิงฟัน เหมือนจะสบัสาบานกล่าวอาฆาตาเท่าอยู่เช่นนั้นพระรพินผู้เลรเห็นเหตุการณ์ได้เพียงชั่วแวบเดียวและยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้นักว่าเรื่องที่ทำให้นีลาเดือดแค้นอยู่ในขณะ น, นี้มาจากลูกไม้ทีเด็ดของสมุนมือขวาจอมแก่นของเขาปาดเข้ามาขวางหน้าไว้ก่อนพร้อมกระบอกมือใส่หน้าอยู่ไปมาเป็นเครื่องหมายห้ามยานีลถ้าถูก็ตาเท่านัคอหักตายทันทีนะ อย่าทำกันเลยเขาพูดกับมันนีลาแสดงอาการหึดฮัดหัวฟัดหัวเวียงคำเม่นมองตามหลังบุญคำผู้เดินหัวรอกิกคั ด, คดห่างออกไปอย่างแค้นเคืองเต็มทีแล้วโยนก้อนหินในมือทิง้งอย่างเสียไม่ได้ความเสียงอึกอักในลำคอเหมือนจะฟ้องว่าตาบุญคำทำอะไรมันไว้ซึ่งระพินก็เพิ่งเข้าใจเขาจุ ป, ปากเบาๆครงศีรษะด้วยความระอาใจลวงย่ามหลัง หยิบเอาน้ำตาลปอนที่หลงเหลืออยู่ถุงหนึ่งผนึกไว้ด้วยพลาสติกอย่างมิดชิดส่งไปให้มันเป็นรางวันต้มตบทศีษษะเบาๆอีกครั้งหนึ่งอย่างรักใคร่และจึงลุยน้ำข้ามไปยังฝั่งที่พักพวกทุกคนตั้งขบวนรอยอยู่แล้วนีลาดูเหมือนจะลืมอาการเกรียวกราดโกรดแค้นที่มีต่อบุญคำลงไปได้เพราะความสนใจในสิ่งที่ระพินมอบให้มันมือแกะพลาสติกที่หุ้มอยู่ออก หยิบเอาน้ำตาลปอนขึ้นมาพลิกดูแล้วก็ดกจากนั้นก็ทดลองเอาใส่ปากแทะชิมพอรู้รสก็แสดงอาการชื่นชอบตบมือตี ต, ตีนส่งเสียงโวกเวกเรียกพักพวกเข้ามาแจกจ่ายกันตัวละก้อนสองก้อนอย่างยินดีขณะนายจ้างและพวกที่ล่วงหน้าไปคอยอยู่ก่อนแล้วไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างหลังจนนีลาแทบจะเอาหินทุ่มบุญคาคอหักตาย เมื่อเหลียวมาก็เห็นธรรมนพวกนั้นรุมกันอยู่ที่ถุงน้ำตาลปอนซึ่งระพินมอบไว้ให้จึงพากันยืนดูยิ้มยิ้ ม, ยมอยู่พอดีกับที่ระพินก้าวตามจากลำธารขึ้นมาถึงไงเจ้าพวกนั้นทํะไรกันนะดูเหมือนจะแย่งอะไรกันอยู่ท่าทางสนุกใหญ่เช่ะเชิดถ า, ถามเขาน้ำตาลปอนครับผมเหลืออยู่เป็นถุงสุดท้ายพอดีเลยก็เลยให้มันไว้เป็นรางวัลเนะ มีหน้าล่ะถึงแย่งกันใหญ่ดูดูไปก็ยิ่งน่ารักเหลือเกินนะเจ้าลีงพวกนี้มันบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆ ด, ดารินว่าสายตาที่มองข้ามลำธารย้อนกลับไปยังเหล่าทหารพระรามเหล่านั้นเป็นประกายระพินไม่ยอมให้เวลาล่วงผ่านไปแม้แต่นาทีเดียวเขาโบกมือเป็นสัญญาณกับคู่หาบแง่ทรายที่อยู่เบื้องหน้าให้เคลื่อนที่และบอกกันายจ้างว่า ไปกันนะครับขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่ดารินเดินถอยหลังรั้งอยู่ท้ายขาบวนบวกมือให้กับเจ้าธรรมนูลฝูงที่มาส่งนั้นพร้อมกับตะโกนสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายข้ามลำธารไปว่าไปละนะนี่ล่ะขุนทหารนครขีดขินกับพวกของมันทรรมการขย่มตัวส่งเสียงโวกโวก ตอบมาเหมือนจะเป็นคำอำลาเช่นกันดารินโบกมือให้ยอยๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งมาเรียเดินยอน้ยอนกลับมาฉุดแขนให้ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปทันเชิดากชัยหยักส่วนตาเท่าผู้เดินหลังก็อำลาจากเจ้านีลาโดยการหันมาทำหน้ายน่นแลบดินหลอกพร้อมกับยกส้นปีนให้ระพินเดินประกบหลังเข้ามาใกล้ใช้หลังมือซัดตุบไปกลางหลังตาเท่าอย่างมันไส้สเต็มบรรดา เล่นไม่รู้จักเล่นไอหนีลาเกือบจะก้อนหินทุ่งคอหักตายแล้วรู้ไหมบุญคำเห็นแล้วนายอยู่ข้างหลังคงไม่ปล่อยมันทำอะไรบุญคำได้หรอกแกกระซิบตอบหน้าตาเฉยรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างยิ่งที่แกลำไอหนีลาได้สาเร็จอย่างงดงามสมกับที่หมายมั่นปั้นมือมานานมันเป็นการเริ่มต้นคืบหน้าต่อไปอีกครั้งหนึง่ง ด้วยความแช่มชื่นกับปรี้กระเปร่าและเต็มวุฒิภลรกําลังของทุกคนพร้อมด้วยกําลังใจอันเต็มเปี่ยมเสียงระพินซึ่งไล่หลังขบวนขึ้นมาตะโกนสั่งความแงซทายกับขยินพร้อมกับชี้มือเป็นสัญญาณในการตั้งทิปและตัวเขาเองก็กระชั้นเข้ามาทันกลุ่มนายจ้างที่เดินรวมหมู่กันอยู่เราจะพยายามตัดเป็นเส้นตรงเข้าหาทิวปีกครุฑ ด, ด้านใต้ที่เห็นอยู่ก่อนครับเขาบอก รอมกับชี้มือให้ทุกคนดูไปยังทิวเขาทยานหยักเยี่ยมฟ้าเสมือนกำแพงกั้นขอบจั ก, กราวาลอยู่เบื้องหน้าเป็นเขารางๆอยู่ในม่านหมอกซึ่งปกคลุมอยู่ชั่วนิรันต์ต่อจากนั้นเราก็จะเลาะชายทิวบ่ายหน้าขึ้นเหนืออย่างที่กําหนดกันไว้แต่แรกแล้วเชี่ยวาพยักหน้าเต็มด้วยความหวังอันแจม่มใสชายันกวาดกล้องส่องไปยังภูมิประเทศอันเป็นเนินสูงๆต่ําๆ ปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวสดรอบตัว น, นานๆเว้นระยะห่างออกไปจะพบไม้ยืนต้นขึ้นอยู่สักครั้งซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่โตเกินไปนักแล้วสุดลมหายใจลึกรู้สึกเส้นทางช่วงนี้ของเราจะใสเหลือเกินนะไม่มีป่าทึบหรือเขาใหญ่บังเลยเป้าหมายที่จะมุ่งไปก็มองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่นั่นแล้วไม่เคยพบเส้นทางไหนจะสะดวกสบายเท่านี้มาก่อน เหมือนเดินไปตามสนามกอล์ฟยักอย่างนั้นเลยวะฉันคิดว่าอย่าประมาทไว้เป็นดีนะแล้วก็ระวังภาพลวงตาไว้ด้วยทัศนวิสัยของพื้นที่บริเวณนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงยังไงก็ไม่ควรจะห่างเข็มทิดกับแผนที่ไว้นะมาริอาฮอฟมันกล่าวเตือนอย่างคนที่ชำนาญในการเดินทางผ่านแดนธุรกันดารมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วหล่อนก็มองไปทางจอมพราน วันถ้าไม่ถือว่าเป็นการบังอาจนะฉันอยากจะเตือนคุณว่าคนหาที่หมายสังเกตซึ่งระ บ, บุว่าในแผนที่เพื่อตรวจสอบไปทุกระยะด้วยจะได้แน่นอนยิ่งขึ้นอย่าไปหวังทิวปีกครุฑที่เรามองเห็นอยู่นั่นเป็นเครื่องสังเกตแต่อย่างเดียวเราต้องระมัดระวังเวลากันอย่างที่สุดเพราะถ้าพลาดเสียเวลาไปอีกแม้แต่นิดเดียวโดยเบนออกนอกเส้นทาง ก็อาจทำให้เราคลาดเวลาสำคัญได้ง่ายๆรัพินไพยวันไม่ตอบแต่พยักหน้ารับคำอย่างเห็นด้วยก็ไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดหรือคำเตือนใดๆก็ตามที่ออกมาจากปากของพัญญาไม้ผู้ทรงเสน่ห์ของดอกเตอร์ฮอฟมันจะไร้ความหมายเพราะประสบการณ์ความชำนาญที่มีมาก่อนและมาเรียก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่รอบคอบรัดกุมเสมอในด้านการวางแผน ภูมิประเทศที่จะบ่ายหน้ากันไปนี้มองดูผาดผาดน่าจะคิดว่าไปได้ง่ายที่สุดเพราะและเห็นโล่งตลอดไปหมดแม้จะสลับไปด้วยที่ราบสูงและที่ราบลุ่มต่ำก็ตามเพราะถึงยังไงก็มีทิวเขาสูงยันเมฆขึ้นไปเป็นเครื่องสังเกตอยู่แล้วแต่จะอย่างไรเสีพรานใหญ่ผู้ชำนาญป่าอย่างเขาก็ย่อมจะประมาทและมองข้ามในสิ่งที่มาเรียบอกไปเสียไม่ได้ และออกรู้สึกเป็นห่วงไม่น้อยเช่นกันให้เป็นเขาสูงหรือป่าดงดิบขวางกั้นหน้าพรานอย่างเขาก็ยังสะดวกใจซะกว่าเพราะลักษณะของต้นไม้หรือหุบอ้วยย่อมจะเป็นเครื่องชี้บอกได้แต่ในพื้นที่โลกละเห็นท้องฟ้าครอบเป็นกระทาความอยู่รอบตัวประหนึ่งเรือที่แล่นอยู่ในห่วงมหาสมุทรเช่นนี้มันอาจทาให้สาคัญผิดหรือหลงได้ง่ายกว่า และภูมิประเทศอันครุมเครือน่าคิดเช่นนี้ <c oughs> ก็ก็ไม่เคยเดินผ่านมาก่อนสิ่งที่น่าเกรงที่สุด ก, ก็คือภาพรวงตาอย่างที่มาเรียพูดไว้อันเป็นผลมาจากสภาพของดินฟ้าอากาศแต่และเวลาซึ่งไม่เหมือนกันบางขณะทิวเมฆลิบๆเบื้องหน้าอาจจะทำให้ตาฝาดมองเห็นเป็นทิวเขาไปก็ได้และเมฆฝนตลอดจนกลุ่มหมอกบางประเภท ก็อาจยกเขาทั้งลูกให้หายไปจากสายตาสังเกตหรือมิฉนั้นก็สร้างภูเขารูปร่างแปลกใหม่ทำให้หลงผิดไปได้เช่นกันก็เคยทราบว่ามาเรียเคยผ่านหุบผาแกรนแคนยอนมาแล้วเท่าเท่ากับที่เคยเดินทางในทะเลทรายซาราหลัอนย่อมมีความเข้าใจได้ดีที่สุดจึงแสดงความเป็นห่วงออกมาให้เห็นแวบหนึ่งที่หวนคิดไปถึงชดประชากรและหนานอิน บุคคลจากศูนย์จึงเป็นต้นเหตุที่ต้องออกติดตามกันอยู่ขณะ น, นี้คนทั้งคู่พิสูจน์ได้ชัดว่าเป็นนักเดินทางมหาวิบากที่เยี่ยมยอดที่สุดชนิดที่ถ้าสามารถกำหนดดีกรีหรือประสาสตรป ร, ริญญากันได้ก็หยิบรางวัลดุษฎีบัณฑิตไปเลยคนคู่นั้นออกเดินทางจากภูเขานิลลักการแล้วละลายหายไปกับอากาศสธาตในเส้นทางสายนี้ ถ้ามันไม่เป็นเส้ น, สนทางที่มีอาถรรพ์ลี้ลับแฝงซ่อนอยู่ในตัวของมันเองแล้วไซคนทั้งคู่ที่จัดไว้เยี่ยมที่สุดแล้วในการเดินทางจะหลงหายไปได้อย่างไรข้อนี้เป็นสิ่งที่จอมพรานผู้รอบคอบอย่างเขาจะต้องสะดุดคิดและก็เป็นความจริงตามที่มาเรียเตือนพอเวลาผ่านไปอีกครู่นึงแดดกล้าเริ่มจะสาดกระจายไปทั่ว ภาพของทิวปีครุฑที่ทุกคนหมายตาอยู่ตลอดเวลาก็เริ่มจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรากับมือของเทพเจ้ามาเขียนขึ้นใหม่มันสั้นจากด้านหนึ่งแล้วไปขยายเหยียดขึ้นอีกทางด้านหนึ่งจากมุมรอยโคง้งรอยคอดก็ผันเปลี่ยนไปหมดตำแหน่งที่ระพินชี้มือบอกคณะนายจ้างของเขาไว้แต่แรกความจริงเป็นกลุ่มหมอกที่ทอดต่อท้ายทิวเขาแท้จริงเท่านั้น ทำให้เขาต้องหยุดชะ ง, งักอยู่กับที่ชั่วขณะเพื่อสองกล้องสังเกตทำให้ทุกคนพลอยหยุดไปด้วยเชตถากับชัยยานก็งัดกล้องประจําตัวขึ้นมาสองตรวจ ด, ด้วยเช่นกันเอ๊ยยังไม่ทันจะเดินมาได้สักกี่ก้าวนี่พระอูมาท่านก็ล้อเราเล่นเขาให้เสแล้วฮะสหายปากเปราะของวายาพูดขึ้นดังๆพร้อมกับหัวเราะเสียงแปร นี่ผู้กองคุณตั้งทิศเบนต่ำลงไปจากข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่าสิบดีกรีแล้วล่ะเราตัดเข้าหาก้อนเมฆหรือแนวหมอกซึ่งอยู่เบื้องต่ำลงไปทางใต้นี่แทนที่จะตัดเข้าหาทิวปีครุฑแท้จริงนะจอมพรานยิ้มกร่อยๆมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่คณะนายจ้างแลเหินในความบกพร่องของเขานับตั้งแต่นำทางมาไอเส้นทางพิสวงดูว่าจะง่ายได้ที่สุดนี่ กางทำความขายหน้าห้าแต้มให้แก่มักคุเทพผู้ยิ่งยงอย่างเขาแท้ๆเนื่องมาจากความชลาใจนั่นเองแต่ก็ดีเหมือนกันที่มันเป็นสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังเสียแต่ต้นมือครับแย่จริงๆผมนี่เขาพึงพมยอมรับและตำหนิตนเองต่อไปนี้เราเห็นจะห่างเข็มทิศกับแผนที่ไม่ได้ใช่แล้วละครับที่แรกนึกว่าจะเป็นของหมูหมู เมตเตือนไว้ถูกต้องแล้วครับเราจะเชื่อสายตาเปล่าไม่ได้เลยนอกจากทิศกระแผนที่ยันประกอบด้วยเท่านั้นนี่ดีว่าแดดแรงขึ้นทำให้หมอกยางลงเราถึงมองเห็นทิวปีกครุฑแท้จริงได้ชัดแล้วก็ยังไม่แน่นักว่าอากาศจะผันแปรไปยังไงอีกในเวลาผ่านไปมันอาจมืดครึ้มมีหมอกขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้เอาละแล้ว เ, เดินตามเป้าหมายที่เห็นชัด ไในขณะนี้ก่อนแล้วกัแล้วรอคอยทัศนวิสัยดีที่สุดพอจะมองเห็นทิวนั่นได้กระจ่างตาตลอดหมดทั้งทิวซึ่งอาจเป็นเที่ยงหรือบ่ายของวันนี้แล้วค่อยเอาแผนที่มาขีดเส้นตั้งเข็มกำหนดแน่นอนลงไปเลยต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลอยู่อีกไม่ว่าดินฟ้าอากาศมันจะสร้างภาพลวงตายยังไงให้ยึดเส้นที่เราขีดไว้เดินตลอดไปซึ่งวิธีนี้แม้แต่เวลากลางคืน เราก็เดินได้แบบเดียวกะตั้งเข็มเรือเดินสมุทรหรือเข็มเครื่องบินเชฐาบอกอย่างอารมณ์ดีแล้วยกนาฬิกาขึ้นดูเราเริ่มต้นเดินกันมาได้เพียงหนึ่งชั่วโมงกับย0สนาทีเท่านั้นปิดชั้นทางแคาจริงไปไม่มากนักครับไปตีตื้นเอชั่วโมงที่สองก็ทันถมเถอะอ่ะเดินหน้าต่อไปผู้กองต่างเคลื่อนที่ต่อไปเงียบเงียบอย่างเป็นระเบียบโดยเบี่ยงขึ้นขวามือ ใบหน้าตรงกับทิวเขาที่แลเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดโชยผ่านทุ่งอยู่ตลอดเวลาบางขณะก็ผ่านไปในทุ่งไม้ดอกประเภทลมลุกอันยืนต้นสูงขนาดเขา่าออกดอกสะพรั่งเป็นสีเหลืองทองอารามไปจนสุดลูกหูลูกตาและบางขณะก็ฝ่าไปในทุ่งหญ้าขนที่ออกดอกปุยกระทบสายลมยามสายไหวลู่เป็นระลอก และราวกับลูกคลื่นในมาหาสมุทรสูงสูงต่ำต่ำเนินแล้วเนินเล่าราวกับจะไม่มีที่สิ้นสุดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาและเห็นเก้งวางรูปร่างลักษณะและสีสันแปลกๆวิ่งผ่านออกมาในระยะห่างและฝูงแมลงที่ดมดอมวนเวียนสูดเกสรดอกไม้ว่อนไปหมดพื้นดินชุ่มชื้นเขียวขจีไปด้วยพืชล้มลุก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดการระพินเดินเคียงไปกับคณะนายจ้างอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ตามธรรมเนียมโดยปกติของเขาภายหลังการสนทนาอยู่ด้วยไม่นานก็เร่งฝีเท้าไปนำอยู่เบื้องหน้าและนั่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ตือนให้ทุกคนทราบด้วยความเคยชินว่าเขาเริ่มทำเวลาเร่งขบวนการเดินทางแล้วรพินเดินเคียงไปกับคณะนายจ้างอยู่ระยะหนึ่ง แล้วก็ตามธรรมเนียมโดยปกติของเขาภายหลังการสนทนาอยู่ด้วยไม่นานก็เร่งฝีเท้าไปนำอยู่เบื้องหน้าและนั่นเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ทุกคนทราบด้วยความเคยชินว่าเขาเริ่มทําเวลาเร่งขะบวนการเดินทางแล้วหลวงจำอาอ้าวขึ้นไปนำอยู่ข้างหน้านั้นเมื่อไรก็เย็นใจได้พวกเราต้องเดินกันแบบไม่มีเวลาหายใจตามเคยชยันบุยปากตามหลังจอมพรานไป แล้วเปรยขึ้นกับพักพวกทุกคนก็ดีระพินรู้อยู่แล้วว่าเวลาไหนบ้างที่เขาควรจะทำเวลาให้คณะพวกเราทั้งหมดไม่งั้นถํามาเดินคลอคุยอยู่ด้วยอืดอาดโอ้เอวิหารรายชมนกชมไม้กันอยู่นี่เองคนอะไรก็ไม่รู้ทระหดเหมือนควายพองอหัวขึ้นได้เท่านั้นเดินตัวปลิวอีกแล้วแต่ไม่รู้จะไปได้สักกี่น้า ดารินแอบบนมองที่ด้านหลังของร่างที่เดินดุมดุมนำหน้าขาบวนอยู่นั้นด้วยความรู้สึกที่อดห่วงไม่ได้แต่มาเรียกระซิบบอกว่าใจเย็นได้น้อยไม่ต้องห่วงหรอกคนคนนั้นนะถูกพระเจ้าสร้างขึ้นด้วยทาตแห่งความแกร่งทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเขาไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ขอให้รู้เถิดว่ากำลังจะตายเมื่อนั้น เธออย่าไปกังวลอะไรกับเขานักเลยรพินเดินเข้าไปใกล้แง่ทรายผู้เดินไปพลางก็ร้องเพลงในคอเบาๆไปอย่างสุดใจแต่พอหันมาพบตาก็หยุดร้องแล้วก็ยิ้มให้ผู้กองครับผมว่าผู้กองไม่ควรจะเร่งร้อนจนเกินไปนะครับเวลาเรายังมีพอแล้วก็สุขภาพผู้กองก็ยังไม่ค่อยดีนะักดูแกจะเป็นห่วงยี่ซะจริงนะแง่ทราย ผมก็ไม่อยากห่วงผู้กองหรอกทำไมหวังสัอย่างเดียวว่าผู้กองเป็นหลักประกันของพวกเราทั้งหมดสำหรับจุดหมายปลายทางเบื้องหน้าเมื่อกี้นี้เขาพูดโดยไม่สนใจกับถ้อยคำเน็บประชดนั้นทำไมวะทำไมแกไม่ทักทวงฉันไว้ไม่เห็นว่าฉันกำหนดเส้นทางคลาดเคลื่อนไปเข็มทิศกับแผนที่อยู่ในมือของผู้กองไม่ใช่หรือครับ แล้วผู้กองก็ไม่ควรคิดนี่ว่าถ้าผมรู้แล้วจะแกล้งเฉยซะเพราะถึงยังไงผมก็ไม่อยากจะให้ผิดเส้นทางเหมือนกันละ่ะอก็เป็นนั่นว่าแกก็หลงเสื่อแต่ภาพลวงตานั่นอย่างเดียวกับฉันเหมือนกันเห็นจะต้องระวังกันให้มากเสียแล้วว่าสําหรับเส้นทางระยะนี้ท่านใหญ่พึงพำแล้วหน่หน้ามองดูท้องฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวสว่างทางโ น, น้นประเดี๋ยวมืดคลึ้มทางนี้ และมีแถบเมฆลอยตำ่ำปกคลุมอยู่ตลอดเวลาเรากับกิจรกรมาแต้มสีหนักๆไว้บนพื้นฟ้าสีเทามันก่้มกึ่งกันอยู่ในระหว่างความงามอันวิจิตรการตากับความลี้ลับอันน่าสะพึงกลัวอย่างบอกไม่ถูกและดูเหมือนแผ่นฟ้าของโลกในยุคที่เริ่มจะเย็นลงใหม่ๆในภาพวาดของนักภูมิศาสตร์โบราณ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราดูเหมือนมันจะมีมนสะกดให้เลผลอไผลและหลงทางได้ง่ายๆนะฉันไม่ค่อยจะชอบไอหมู่เมฆและละองหมอกที่มีสีสันแปลกๆพวกนี้เลยพร้อมกันเขาก็ชี้มือไปเบื้องหน้าซึ่งมีเมฆดำกลุ่มหนึ่งแลทมึนปกคลุมยอดเนินอยู่เบื้องหน้าดูเหมือนอสูรยักษ์โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินครึ่งตัวกำลังหันหน้ามาเผชิญคณะเดินทางทั้งหมดพร้อมทั้งออบปากเสยเขี้ยว และการแขนนอันใหญ่โตเตรียมจะทำร้ายอยู่ผู้กองครับถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศผมว่าพายุกำลังคอยเราอยู่ข้างหน้านะครับแง่สายพูดภูมิประเทศเป็นทุ่งโล่งตลอดแบบนี้เราจะหาที่กำบังลำบากมากไม่ว่าฝนหรือพายุนะพรายใหญ่พูดอย่างหนักใจและไม่เอ่ยคำใดอีก ออกจากเดินรุดหน้าด้วยฝีเท้าอันเสมอต้นเสมอปลายไปแต่อย่างเดียวอีกสองชั่วโมงเต็มเต็มที่คืบหน้ากันไปอย่างรีบรุดโดยที่รพินไม่ได้ย้อนกลับลงมาสมทบกับฝ่ายนายจ้างของเขาอีกเลยบางขณะทุกคนอาจเห็นเขาเดินหายลับไปก่อนจนมองไม่เห็นตัวจากเนินสูงๆต่ำๆที่สลับซับซ้อนอยู่เบื้องหน้าเหล่านั้นแต่ก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วง เพราะแงสายและพรานพื้นเมืองทุกคนสาวรอยเขาได้เสมอไม่ว่าจะเลี้ยวลัดบกเวียนไปทางด้านใดแล้วต่อมาอีกพักใหญ่แตงก็เห็นระพินยืนพักขามวลบุรีใบตองแห้งคอยอยู่ก่อนแล้วตรงสุดปลายเนินลูกหนึ่งก่อนจะไต่ขึ้นที่ราบสูงซึ่งเป็นทางเทลาดชันไปประมาณสามสิบองศาตำแหน่งที่จอมพรานยืนคอยอยู่นั้นมีก้อนหินโค้งนูน ลักษณะเหมือนหลังเต่าสองลูกโผ ล, ล่พ้นบริเวณที่หญ้าขึ้นปกคลุมแลเห็นเป็นจุดเด่นสังเกตได้ชัดมีแอ่งน้ำซึ่งคงจะซึมขึ้นมาจากตาน้ำเบื้องล่างหรือมิฉะนั้นก็เกิดจากน้ำฝนขังกว้างประมาณสี่ตารางวาอยู่ในระหว่างหลังเต่าทั้งสองลูกนั้นระดับน้ำลึกประมาณไม่เกินหัวเขา่าใสแนวราวกับตาตะกะตั่ว เมื่อต่างเดินตามลงมาถึงก็เห็นระพินมีแผนที่วางแบะอยู่บนต้นขาข้างที่ยกขึ้นเหยียบยันแงหินไว้กำลังป้องมือบังลมจุดบุรีสูบอยู่นี่ทำเวลาได้ดีเหลือเกินนะผู้กองว่าแต่มาหยุดรอเราอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังเนี่ยชายันร้องถามมาอย่างร่าเริงแต่หางเสียงหอบผมเพิ่งจะหยุดคอยไม่เกินสิบนาทีม่เองครับ เราเข้าเส้นทางอันถูกต้องของแผนที่ฉบับนี้ได้แล้วครับมีอะไรที่คุณแน่ใจเหรอเชษฐาถามโดยเร็วเต็มไปได้วยความตื่นเต้นยินดีจอมพรานพยักหน้าให้ทุกคนดูไปยังแอ่งน้ำเล็กๆระหว่างหินสองก้อนที่เขายืนอยู่แอ่งน้ำเล็กๆข้างหน้าเรานี่แหละครับในลายแทงระบุไว้ว่าแอ่งกาลาเวกซึ่งคงจะหมายถึงว่าเป็นแอ่งน้าที่นกกาลเวกลงกิน แม่ดีนี่ดารินร้องขึ้นถ้าใครกินน้ำในแอ่งนี้คงมีเสียงได้หวานไพเราะเหมือนนกกระเวกสินะว่าแต่นี่ไงนาะยพรานนกกระเวกนะ่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีแล้วก็มักจะได้ยินแต่ชื่อทางวรรณคดีเท่านั้นระพินหัวเราะยกมือขึ้นปาดเหงือ่อเอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณหญิง ว่านกกระเวกมันมีลักษณะยังไงวรรณคดีที่เรียนมาอีกเหมือนกันที่บอกไว้ว่ามันเป็นนกชั้นสูงร้องเพลงได้เพราะมากแต่ก็ไม่ยากกะบบรรยายรูปร่างลักษณะไว้ส่วนถ้าจะว่ามันเป็นนกชนิดเดียวกับ ว, วายุพักหรือ Bir ร์ตอ a ฟพารไดเท่าที่ทราบแหล่งของมันก็อยู่แถวแนวกินี่ไม่น่าจะมามีอยู่ในแถบที่ระดับสูงกว่าน้าทะเลหลายพันฟุตอย่างที่นี่ผมว่าเราอย่าไปสนใจเลยว่า มันจะมีนกกระเวกมาลงกินน้ำที่นี่จริงหรือเปล่าเอาไป็นว่ามันตรงกับแผนที่ลายแทงระบุหรือไม่สำคัญกว่าบางทีเจ้าของลายแทงอาจจะตั้งน้ำไว้เพื่อความหมายที่ใกล้เคียงอย่างอื่นก็ได้นะครับทุกคนเข้าไปเวียนสารวจดูที่แอ่งน้ำใสนั้นอย่างสนใจยิ่งชยยันกวาดสายตาไปรอบๆนี่ระพินลายแทงฉบับที่คุณถืออยู่นั่นนะ มันมีอายุ400ปีเลยนะและที่หมายอันนี้ก็เป็นแต่เพียงแอ่งน้ำเล็กๆเท่านั้นกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่เหลือประมาณถ้าสมัยเมื่อ400ปีก่อนมันจะมีแอ่งน้ำอยู่จริงๆโดยถูกขนานนามว่าแอ่งการเวกอย่างที่คุณว่าการเวลามันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงแอ่งน้ำนั่นไปแล้วอาจจะตื้นเขินกลายเป็นพื้นที่ราบมีหญ้าขึ้นปกคลุมหรือมิฉะนั้นก็แห้งคอดไปหมดแล้ว รวมทั้งอาจจะมีแอ่งน้ำเกิดขึ้นใหม่ทั่วไปตามที่อื่นๆด้วยจากการเวลาอันแสนนานนี้คุณมีอะไรพิสูจน์ล่ะว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำที่ตรงกับคนตายเมื่อสีศตวตรรษค้นพบผมมีข้อพิสูจน์พอที่จะทำให้เชื่อได้ครับแล้วขอเชิญทุกท่านให้มาดูที่แผนที่ลายแทงฉบับนี้นะครับเขาพูดพร้อมกับก้มลง กางแผนที่ลายแทงฉบับนี้แผ่รากลงกับพื้นเชดถาชยันดารินและมาเรียก็ตรงเข้ามาล้อมดูทันทีจอมพลนดึงปากกาที่เน็บกระเป๋าอยู่ชี้ไปยังที่หมายเล็กๆแห่งหนึง่งในแผนที่โปรดสังเกตที่หินลักษณะเหมือนหลังเต่าสองลูกในแผนที่นี่นะครับแอนการเวกอยู่ในระหว่างหินเต่าสองลูกนี้ตรง ก, กันกับที่เราพบของจริงอยู่นี่ทุกอย่าง บริเวณที่ราบสูงและราบต่ำที่เราผ่านมาโดยตลอดไม่เคยปรากฏว่าเราจะพบก้อนหินลักษณะนี้มาก่อนเลยและขอให้สังเกตพื้นภูมิประเทศแถบนี้ด้วยนะครับพื้นเป็นดินแข็งเพราะมีหินดานเป็นฐานอยู่เบื้องล่างทั่วไปยากที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของภูมิประเทศได้ง่ายๆเพียงในระยะเวลา400ปีเว้นแต่จะเกิดกรณีแผ่นดินไหวขึ้นส่วนแอ่งน้านี่ก็เหมือนกันครับ ที่มันไม่แห้งขอดหรือตื้นเขินขึ้นมาได้ก็เพราะเป็นแอ่งที่มีตาน้ำซึมอยู่ตลอดการลักษณะเป็นแอ่งน้ำซับยิ่งกว่านั้นทิศทางในแผนที่ลายแทงก็ยังกําหนดชัดอยู่แล้วด้วยจอมพรานขีดเส้นให้ดูในระหว่างภูเขานิลการและทิวด้านใต้สุดของทิวปีครุฑอันปรากฏอยู่ในแผนที่ภายหลังจากพิจารณากันอย่างรอบคอบทีท่้่วนที่สุด อีกสีคนที่ยังระแวงตังขาอยู่แต่แรกก็ไม่มีทางจะแย้งเขาได้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมในแผนที่และภูมิประเทศแท้จริงที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้บังคับไว้ตรงตัวหมดทุกอย่างภายหลังจากเอาเข็มทิพย์เข้าจับ Q ิว e มารียร้องออกมาเชิดฐาดึงกล้องส่องทางไกลออกมาไต่ขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินหลังเต่าส่วนที่สูงของลูกหนึ่ง แล้วสองย้อนกลับไปยังเทือกเขานิรการอันเป็นที่สถิตของวายากับพลพรรควานอนของเขาซึ่ง บ, บัดนี้แลหินเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในหมู่เมฆแต่ก็ยังแลเห็นสันฐานได้ถนัดและหมุนตัวกลับสองตรงไปยังทิวด้านใต้ของเทือกปีกครุฑ ต, ตลอดจนเนินอันสลับซับซ้อนเหลือที่จะขนานับในทิศทางก่อนที่จะบรรลุถึงเทือกเขาใหญ่เยี่ยมฟานันท้งใกล้และไกล ออกไปเท่าที่กำลังย่นระยะส2องเท่าของเลนจะดูดภาพมาให้เห็นได้เห็นจะไม่ผิดละระพินแอนคารเวกของมังมหานรธาแน่ลายแทงฉบับนั้นให้ความจริงแกเราทุกอย่างไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนไปแม้แต่นิดเดียวนับตั้งแต่ตรวจสอบมาทุกระยะท่านหัวหน้าคณะกล่าวอย่างปราโมทย์ใจเต็มไปได้วยความชื่นชมเชื่อมัน่นในความสามารถของพรานนาทางผู้ยิ่งใหญ่ แล้วกระโดดลงมาจับมือจอมพลานไว้กล่าวต่อไปด้วยความภาคภูมิใจว่าเดี๋ยวนี้ผมให้คําจํากัดความของคําว่าพรานใหญ่แล้วละ่ะระพินคือหนึ่งแม่นยําในวิถีกระสุนที่ลั่นออกไปแต่ละนัดสองแม่นยําต่อเส้นทางที่หมายซึ่งจะมุ่งไปคุณมีทั้งสองคุณสมบัตินี้ครบถ้วนทีเดียวระพินคุณชายครับ อย่าเพิ่งเชื่อมั่นไว้วางใจผมในสองสิ่งที่กล่าวนี่นักเลยครับเพราะเคยพิสูจน์มาแล้วว่าบางขณะผมก็พลาดได้เหมือนกันสำคัญที่สุดก็คือพวกเราทั้งหมดต้องช่วยกันด้วยครับและเพื่อไม่ให้พลาดหรือเสียเวลาไปอีกผมจะพยายามเดินเข้าหาที่หมายที่ระ บ, บุไว้ในลายแทงนี้ไปทุกระยะจนกระทั่งถึงทิวด้านใต้ของปีกครุธโดยไม่ยอมผ่านไปเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวนี่เป็นเป้าหมายแรก นับจากภูเขานิลการครับตรวจดูทั่วแล้วหรื อ, อยังระพินมีร่องรอยของพี่กลางผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าดารินไม่ลืมสิ่งสำคัญที่ควรจะสนใจซะยังเลยครับยังหาข้าวเงื่อนอะไรไม่ได้เลยคุณชายอนุชากนันอินอาจจะผ่านมาทางนี้หรืออาจจะไม่ได้ผ่านโดยเฉียดไปทางด้านอื่นก็ได้เพราะรัศมีจากที่นี่กับเขานิลการไม่ห่างกันมากนะ ถึงจะผ่านมาก็ไม่อยู่ในระยะที่จะหยุดพักเพราะระยะเวลาเดินเพียงแค่สี่ชั่วโมงเสร็จเสจเท่านั้นถ้าพบร่องรอยก็ควรจะพบไกลกว่านี้ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะครับอีกสี่สิบนาทีเที่ยงตรงเชษฐาตบเราจะหยุดพักครึ่งวันกันเวลาเที่ยงตรงไม่ใช่เหรอครับแน่นอนอย่าให้เสียเวลาสี่สิบนาทีที่เหลือนี่เลยผู้กอง คืบหน้าไปอีกให้ได้สักสองสามกิโลก็ยังดีนะเรื่องแหล่งน้ำนะเรายังไม่ต้องห่วงระยะนี้ไม่ใช่เหรอเพราะยังมีอยู่สมบูรณ์ระพินรวดเร็วทันใจเหมือนกันแทนคำตอบใดๆทั้งสิ้นเขาบ่ายหน้าไตาตัดขึ้นเนินของที่ราบสูงซึ่งขวางกั้นอยู่เบื้องหน้านำขึ้นไปทันทีชยันแหงมองดูทองฟ้าและทาท่าอึดอัดใจขณะที่ไตเคียงขึ้นไปกับมาเรียและดาริน เกือเที่ยงเข้าไปแล้วยังมองไม่เห็นตะวันชัดเลยอากาศมันคลุมครือยังไงชอบกลตอนสายเห็นแสงแดดสว่างตาอยู่ได้หน่อยเดียวเท่านั้นก็มืดคลึมซะสังเกตดุภูมิประเทศแถวนี้สิฝนชุกอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นหญ้าไม่เขียวชะอุ่มและดินก็เย็นชุ่มอยู่ตลอดการอย่างนี้หรอกมาเรียพูดเบาๆแ ว, วตาสีดอกผักตบมีกังวลคุ้นคิคด ก็ดีสิฝนตกนะ่ะดีกว่าฝนแรงฉันไม่กลัวอะไรเท่ากับกลัวอดน้ำนะดารินบอกอย่างไรเดียงสาในเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิน้อยถ้าฝนตกนะ่ะเราจะไม่มีที่หลบฝนกันเลยดูถ้าจะแรงทั้งฝนทั้งพายุเสียด้วยนะแล้วถ้าทายไม่ผิดฉันมาบ่ายนี้คงเจอเขาแน่ดูนน่นสิเมฆดาทมึนทีเดียวบางทิวปีครุดไว้ทั้งหมดข้างหน้าเราโน่ ราชสกุลสาวนึกขึ้นมาได้เริ่มใจไม่ดีเออจริงสิตายละ่ะนี่ถ้าเราโดนฝนเราจะทํำยังไงกันฉันว่าคงได้เป็นตะคริวตายกันบ้างเท่านั้ น, น่ะกลางที่โล่งไม่มีกําบังแบบเนี้และข้าวของก็คงจะเปียกหมดมองไปทางไหนก็ไม่เห็นจะมี อ, อาศัยได้บ้างในสักสิ่งเดียวเดินกันอีกเป็นวันๆก็คงจะมีแต่ภูมิประเทศโล่งไปตลอดแบบเดียวกันนี่แหละ ฝนอย่างเดียวก็พอทำเนานะอาจจะมีพายุใหญ่อีกด้วยสิมันอาจจะมาพร้อมกันหรืออาจจะมาคนละทีแต่สรุปแล้วมันก็แย่ทั้งนั้นแหละไม่ว่าลมหรือฝนเส้นทางช่วงนี้ที่เราเห็นผัดผาดแต่แรกว่าน่าจะเดินสบายที่สุดอาจจะเป็นเส้นทางมหาวิบากร้ายกาจที่สุดกว่าทุกช่วงที่เราผ่านมาแล้วก็ได้ก็ไหนวายาบอกว่าเราจะเดินไปได้อย่างสะดวกสบายที่สุดไงล่ะ เอาน้อยวายากับเราน่ะเหมือนกันเมื่อไรเล่า ว, วายานะ่ะอาจจะเดินไปได้อย่างสบายที่สุดในความรู้สึกของเขาซึ่งมีความเป็นอยู่ความแข็งแรงทรหดอย่างสัตว์ป่าแล้วเราอะเป็นอะไรมีความต้านทานได้ครึ่งของเขาหรือเปล่าต่อภาวะของดินฟ้าอากาศอะอย่าลืมสิว่าวายาน่ะเป็นลิงใหญ่ดีๆนี่เองฉันว่าเส้นทางระหว่างภูเขานิหลักการกระเนินพระจันทร์นี่มันคือเส้นทางบรณะชัดๆ เส้นทางที่จะชี้โชคตาตาครั้งสุดท้ายว่าเราจะผ่านมันไปได้หรือไม่ฉันสังเกตเห็นร่องรอยของฝนฟ้าแถบนี้มันรุนแรงมากนะมีรอยฟ้าผ่าเห็นอยู่แทบทุกระยะที่ผ่านมาทีเดียวไม่ทันจะขาดเสียงมาเรียที่กระซิบพูดยูกระดาริงก็ปรากฏเสียงฟ้าคำรนสะเทือนก้องอยู่เบื้องหน้าสั่นคลื่นเป็นละลอกละ ล, ะลอกกินแดนไปไกลในรัศมีกว้าง และแฉกสองแฉกสว่างแปรปลาบแสบตาเป็นเส้นทะแยงพร้อมกับลมเย็นเยือกที่พัดกันโชกสวนหน้าเบาหมวกของทุกคนที่สวมอยู่ให้ปลิวหลุดจากสีษะจนต้องเอาสายลงมารัดติดคางไว้แล้วรู้สึกถึงแรงลมที่พัดต้านจนแทบจะก้าวขาไม่ออกเอถ้าจะไม่เข้าท่าซะแล้วสิอีแบบนี้ว่าแต่ระพินเขารู้ตัวบ้างหรือเปล่านะว่าเรารเผชิญอะไร มีอะไรบ้างที่คนคนนั้นจะไม่รู้เว้นแต่จะไม่ยอมพูดตามนิสัยของเขาเท่านั้นแหละเรื่องเล็กน้าน้อยชยันบอกมาดังๆปนหัวเราะน้ำป่าไฟป่าแผ่นดินไหวเราก็โดนกันมาแล้วคราวนี้จะทดลองฝนหรือพายุ ด, ดูบ้างมันจะกระไรนักเชียวถึงยังไงฉันก็ชอบตายเย็นมากกว่าตายร้อนฮฮนี่พูดดีวิเชยัน คงได้เจอดีก็จนได้แหละไม่ทันจะขาดเสียงของมาเรียชา ย, ยันก็ร้องลั่นออกมาอย่างตกใจพร้อมกับชี้มือขึ้นไปเบื้องหน้าข้างบนที่รากซึ่งระพินเชษฐากับคู่หาบของแง่ทรายและขยินไต่สวนลมขึ้นไปก่อนสิ่งที่ทั้งสองสาวแหงนขึ้นไปพบด้วยความตกใจแทบช็อกคือร่างของเชษฐาแง่ทรายและขยินพากันกลิ้งระเนระนาดลงมาตามเนินอันเทลาชั้นนั้น เรากระถูกมือที่แลไม่เห็นกวาดผลักส่วนรพินไพรวันหมอบฟุบติดอยู่กับพื้นมือทั้งสองยึดกอย่าขนไวแน่นพร้อมกกระแสลมแรงในขั้นวาตะก็กันโชคมายัางที่ทั้งสามยืนตะลึงอยู่ทั้งดารินและมาเรียพังะ ง, งายล้มก้นกระแทกลงกับพื้นแล้วกลิ้งไปสามตลกในขณะที่ชายยันผวาร่อนหมุนตัวกลับ วิ่งหัวสุนลงไปประทะกับคู่หาบของเกิดและเสยพากันสัวลู่ระเนนไปประทะส้างปาแล้วล้มลุกคลุกคลานกันทั้งหมู่จะมีก็แต่ตาเท่าบุญคำกับจันเท่านั้นที่ยังยืนหาบของเร่ร่าอยู่ได้เพราะยืนอยู่ในส่วนที่ต่ำลงไประหว่างที่เรสาสำรสายกันไม่เป็นขบวนอยู่นั้นเสียงของระพินไพยวันก็แผ่ตะโกนก้องฝ่าเสียงลมที่คลางอู้ลงมาว่า พายุลูกเห็บเร็วถอยไปลบอยู่ขอบเนินนั่นก่อนถอยเร็วฟ้าเหนือสีสะมืดมิดลงอย่างรวดเร็วราวกับใครตวัดผ้าดำผืนใหญ่คลุมไว้เศษใบหญ้าและฝุ่นละอองม้วนเป็นเกลียวหมุนและถูกดูดให้พุ่งทยานเป็นเส้นขึ้นไปเบื้องบนราวกับลำตัวของงูรอบด้านได้ยินแต่เสียงครางหวีดหือของวาตะ เราคนกับเป็ดของน้ำแข็งเม็ดเคืองขนาดหัวแม่มือที่สาดโปรยลงมากระทบต้องผิวกายแปลปวดราวกับลูกปืนไม่มีใครผ่านพบมาก่อนในชีวิตว่าลักษณะการอันวิปริชนิดนี้ของธรรมชาติมันหมายถึงอะไรเท่าที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะ น, นี้บอกได้แต่เพียงว่ากระแสลมแรงจนอาจดืดดึงร่างกายให้หลุดจากพื้นมีลูกเห็บที่แข็งและเย็น เหมือนก้อนกรวดที่แช่อยู่ในทะเลน้ำแข็งซัดหวานลงมาประดุษพูดผีปีศาจจับประดนที่อยู่เบื้องบนขึ้นไประดมคว้างและจากสภาพของอากาศที่เย็นพอสบายสำหรับการเดินทางที่กลับแปเป็นความหนาวสะทกเข้าไปทุกขุมขนอย่างกระทันหันตาสองข้างแทบจะลืมไม่ขึ้นและมองไม่เห็นทิศทางรอบตัวใดๆไกลเกินไปกว่าระยะ3มสี่วา ซึ่งสายลมที่หมุนฉุดกระชากอยู่รอบๆอบตัวยามนี้แทบจะมองเห็นสายอันม้วนเป็นเกลียวหน้าสะพึงกลัวของมันได้เฮลมาเรียสะบดลั่นออกมาขณะที่พลิกกายขึ้นมาครุกเขา่าคลานสีขาอยู่กับพื้นดึงปีกหมวกมาปิดหน้าไว้ดารินนั้นนอนหมอบเอามือทั้งสองปิดตากันไม่ให้เศษฝุ่นละอองที่พัดคลุ้งไปหมดเข้าตาชยันทรงตายขึ้นมาได้ก่อนคนอื่น ตะกายตามพื้นที่เทชันนั้นเข้าไปดักคอยรับตัวเชิฐาที่กำลังกลิ้งคุกๆเป็นลูกขนุนลงมาได้ทันก่อนที่จะหลุดเลยถลหลลงไปเบื้องล่างตะครุบตัวยึดไว้มั่นรู้สึกใจหายเพราะรู้จุดอ่อนของสหายเขาดีอยู่แล้วเกี่ยวกับขาซึ่งไม่สมประกอบนักอันเกิดจากพิษสงของไอแวชนช่างไรในครั้งระนั้นเชิดถาเป็นไงมั่ง อดีตนายทหารปืนใหญ่ตะโกนละล่ำละลักฝ่าเสียงพายุถามสหายของเขาท่านหัวหน้าคณะยันกายขึ้นมาได้อย่างตะลีตะลานโดยอาศัยลำแขนประคองของชัยยันไม่เป็นไรถอยลงไปลบอยู่ข้างล่ลางล่างข้ก่อนตามคำสั่งของระพินเร็วทั้งสองฉุดแขนกันวิ่งอย่างทุลักทุเลลงมาตามทางลาดนั้นแหวพยุงดารินกับมาเรีย ซึ่งยังหมอกทังภาพคลุกคลานเกาะกันอยู่และช่วยกันประคองกันถอยลู่ส่วนเซลงมาขณะนั้นแงสาสและพวกลูกหาบอื่นๆที่กระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางอันเนื่องมาจากถูกพายุฉุดกระชากให้ล้มกริ้งเสียหลักก็เพิ่งจะลุกขึ้นมาได้แล่นเข้ามาช่วยกันเก็บข้าวของที่ลนกระจายอยู่ถอยตามลงมาอย่างไม่เป็นขบวนละสัมระสายกันไปทั่วทั้งคณะ บุญคำกับจัน์นั้นอยู่ในระหว่างพื้นราบติดเนินจึงไม่ถูกกระแสลมจังหนักผิดกับพวกที่ไต่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนต่บัดนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกทั้งสองสุดตัวลงนั่งยองๆราบกับพื้นโดยมีคานหับวางอยู่บนไหล่เชิดาช้ยันกับอีกสองสาววิ่งลงมาถึงจึงได้รับคำสั่งให้ถอยลงไปยังพื้นเบื้องตามอีกขั้นหนึ่งถัดลงไปในระหว่างโคกสองลูกลักษณะคล้ายๆจอมปลวก อันพอจะเป็นตำแหน่งเดียวที่จะอาศัยบางพายุคลุ้มคลั่งรุนแรงในขณะนี้ได้ดีกว่าพื้นที่โล่งบริเวณอื่นแล้วทั้งหมด11คนก็เข้ามาถึงที่หมายนั้นรวมกลุ่มนั่งมอบกันอยู่ในตำแหน่งที่อับทางลมที่สุดด้วยความรู้สึกที่หายใจแทบไม่ออกเพราะอัตราความเร็วของกระแสลมเสียงพวกครานพื้นเมืองร้องโวยวายและสะบดสะบานลั่นฟังไม่เป็นศั์ เมื่อลูกเห็บเม็ดเขึงข่งเครื่องปลิวลงมากระทบเนื้อตัวมีความแรงเท่ากับถูกระดมขว้างด้วยก้อนกรวดกลุ่มนายจ้างทุกคนถึงกับลงทุนปลดเครื่องหลังประจำตัวออกยกขึ้นกําบังไว้เหนือศีรษะระหว่างที่ก้มตัวหมอบอยู่คงมี ก, กัตตาลย์ใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้นในขณะนี้ซึ่งอยู่บนยอดสูงของปลายเนินและโดนกระแสลมอย่างจังที่สุดแต่ก็ยังหลักดี ไม่ถึงกับล้มกลิ้งตามคนอื่นๆลงไปด้วยเพราะทิ้งกายราบคว่มหน้าลงกับพื้นและยึดกอหญ้าวไว้ได้สายลมและฝุ่นละอองที่พัดสวนอยู่ในขณะนี้แรงสิจนทำให้รู้สึกแสบหน้าและลืมตามไม่ขึ้นหันกลับมามองพักพวกเบื้องล่างก็แหลไม่เห็นซะแล้วนอกจากเกลียวของพายุและผงทุรีันม้วนกลบเป็นม่านควันไปทั่วเสียงลูกเห็บโปรยลงมากระทบแผ่นหลัง และบริเวณพื้นข้างเคียงดังก่าวไปหมดจอมพรานกัดฟันแนมขณะจิตต่อมาเขาก็ตัดสินใจปล่อยมือทั้งสองที่เหนียวยึดกอหญ้าออกปล่อยตอนเองให้ไหลไหลลื่นลงมาจากพื้นหญ้าอันลาดชันแต่อ่อนนุ่มนั้นระยะหนึ่งประมาณสองสามว่าเอื้อมไปคว้าไรเฟินประจำตัวที่ตกอยู่ข้างๆขึ้นมาสะายเฉียงกับไหลไวเพื่อติดตัวอย่างมั่นคงที่สุด และทลากระโถดถอยหลังจนพ้นช่วงระยะที่เทชันที่สุดเพราะถ้าขืนผีพลลมยืนทรงกายขึ้นในระยะ น, นั้นก็มีหวังถูกลมพัดหกคเมนเทนเทลงไปไม่ผิดอะไรกับเท ฐ, ฐาและแง่ า, ายกับขยินที่โดนเข้าแล้วแน่นอนหูเดียวของการประคองตัวอย่างฉลาดจนถึงบริเวณที่ไม่ลาดชันจนเกินไปนักอันเป็นบริเวณของไหลเนินจึงยันกายลุกขึ้นหันหลังกลับ ออกวิ่งสุดฝีเท้าโดยมีกระแสลมช่วยเป่าพัดไล่หลังบายหน้ากลับลงไปยังตีนเนินซึ่งเชื่อแน่ว่าพรรคพวกทั้งหลายคงจะรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั่นเรียบร้อยพอดีกับที่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกฝาพายุดังแว่วมาจากตีนเนินด้านซ้ายจึงห่อแนบต้านลมและลูกเห็บที่ดูเหมือนจะทวีความถี่เม็ดขึ้นทุกทีเข้าไปที่นั่น ทุกคนห่อตัวรวมกลุ่มเบียดกันอยู่เหมือนลูกนกทางสั่นกระทบกันเป็นเจ้าข้าวแทบจะจำหน้าไม่ได้ว่าใครเป็นใครโว้ยไอ้วาญาเสือกบอกได้ว่าทางสะดวกเดินสบายไม่น่าจะมาต้มกันเลยมันน่าจะโยนกลับไปเตะนักพับพาสิโว้ยเสียงตาเท้าบุญคาแหกปากตะโกนลั่นออกมาท่ามกลางเสียงลูกเข็บอันกราวสนั่น คุณชายครับพรานใหญ่ร้องเรียกพยายามหันมองสำรวจไปในกลุ่มพักพวกเหล่านั้นอย่างเป็นห่วงก็ได้ยินเสียงร้องตอบมาอย่างหนักแน่นมั่นคงว่าผมอยู่นี่ระพินเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับผมเห็นคุณชายเสียหลักกลิ้งลงมาขาเป็นยังไงบ้างครับระพินพูดเร็วปรือไม่ต้องห่วงเรียบร้อยไม่เป็นไรแต่เราจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นานนะผู้กอง ถ้าไม่หาที่กำบังที่ดีกว่านี้พายุลูกเห็บมันพอๆพอกับพายุหิมะนะมีหวังแข็งตายกันหมดนะเสียงท่านหัวหน้าคณะตะโกนแข่งพายุระพินเต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายรูป ก, การที่เผชิญอยู่ในขณะ น, นี้มันก็น่าจะจริงตามคำของท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลอันเป็นหัวหน้าคณะพายุลูกเห็บที่ซักระนาอยู่ในขณะ น, นี้ไม่มีใครคาดคะเนดได้ว่ามันจะ กินเวลาเนิ่นนานออกไปสักเท่าไรแต่ที่ประสบกันอยู่ด้วยความหนาวเหน็บทารุณซึ่งทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะไม่ต้องมากรอกเพียงแค่ซัดกระนำแบบนี้ต่ต่อกันไปอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นทุกคนจะพากันเป็นอำมาพาตไปทั้งหมดระพินหันหน้ามองออกไปยังอากาศสีข้นคล้ำอย่างตัดสินใจไม่ถูกแง่ทายเอายังไงดีในที่สุดเขาก็พูดหนักๆในลาคอ จอมพเนจรขณะนี้สุดกายคุกเข่าอยู่เคียงข้างเขากำลังใช้มีดเดินป่าขุดแะสำรวจดูตำเนินโคกที่มาหลบกำบังกันอยู่อย่างขมักขมันก็มีทางเดียวเท่านั้นนะครับผู้กองขุดรูหลบเข้าไปอยู่ในโพรงดินแต่เราไม่มีเครื่องมือและดินบริเวณนี้มันก็แข็งมากเราน่าจะหาบริเวณที่ดินมันซุยหรือพื้นที่ที่เป็นทรายได้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งใกล้ๆบริเวณนี้ผมจะออกไปสารวจเองครับ เราจบไงทรายถลันลุกขึ้นยืนแต่พลนใหญ่คว้าไว้ซะก่อนยากระอัดแข็งตายซะ ก, ก่อนที่จะค้นหาบริเวณที่ต้องการได้และจะต้องใช้เวลาขุดนานสักเท่าไหร่ถึงจะพลอยพวกเราทั้งสิบสองคนเข้าไปหลบอยู่ได้ความตายมันจะมาถึงก่อนทันใดนั้นเสียงห้าวๆของขยินก็ดังมาว่าเราห่างจากแอ่งน้ํานั่นมาไม่มากนักไม่ใช่เหรอนายใช่ทําไม จอมพนันเอจรหันขวบย้อนถามด้วยเร็วเจ้ากระเรียงลมช่างแยกเขี้ยวขาวอยู่ในเงาสลัวขยินจําได้นายขณะที่พวกเราสํารวจอยู่ที่แอ่งน้ํานั่นนะขยินเดินตรวจไปรอบๆเพื่อจะหาร่องรอยของคนหายเพื่อจะพบขยินไม่พบอะไรของคนหายหรอกแต่พบปากโพรงขนาดใหญ่เป็นโพรงร้างของหมาป่าที่ขุดทํารังไว้ต่ากว่าเนิน ต่ำกว่าเนินหินหลังเต่าลูกหนึ่งห่างลงไปทางด้านใต้ไม่เกินยี่สิบเก้าเป็นดินปนทรายร่วนพอที่จะขุดขยายออกไปได้ถ้าจำเป็นระพินลืมตากว้างเอา้างั้นพาฉันไปดูเดี๋ยวนี้ขยินเขาร้องยิ้วคอขยินฉุดดึงขึ้นในขณะเดียวกันแง่ทรายก็กระโจนพึง่งฝ่าพายุล่วงหน้าไปก่อนแล้วในทันทีที่รู้ที่หมาย ร้านใหญ่หันมารองสั่งคณะนายจ้างของเขาเร็วหรือให้สงบรออยู่ก่อนและไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายอะไรอีกสองคนกับขยินแล่นตามหลั ง, งแง่ทรายไปโดยเร็วอะไรอะไรกันน่ะนั่นสามคนนั่นไปไหนดารินเอะออขึ้นฝ่ายนายจ้างทั้งหมดไม่มีใครสามารถเข้าใจได้เพราะสามคนพูดกันในภาษากะเหรี่ยงบุญคําจึงอธิบายให้ทราบตามคําบอกของขยินใจเย็นๆ เ, เ, เจ้านาย พานใหญ่ก็ไอ้สองคนนั่นคงจะไปตรวจดูก่อนได้ความว่ายัางไงประเดี๋ยวคงกลับมาตามพวกเราไปเองล่ะครับไม่ต้องบอกให้ใจเย็นรอถึงเดี๋ยวนี้ก็เย็นจนเกือบจะแข็งตายอยู่แล้วใช่ ย, ยันว่าถ้ามกลางการรอคอยด้วยความหวังและภาวนาชั่วไม่นานนักทุกคนก็เห็นแง่ทรายวิ่งย้อนกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณขึ้นใช้เร็วครับพบที่กำบังแล้วครับองค์รักพิเศษของดารินตะโกนก้องทั้งหมดทะลันรวดขึ้นยืน แล้วพากันแบกสัมภาระครูตามการนําของแง่ไซไปอย่างทุลักทุเลนี่ผู้ก้องกับขยินอยู่ไหนล่ะเชยันถามระหว่างที่วิ่งรวมหมู่ต้านลมและลูกเห็บที่ซั์กระนําแทบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนั้นไปเขา อ, อยู่ปากโพรงแล้วครับนยายทหารกําลังช่วยกันขุดเปิดปากทางกว้างกว่าไปอีกครับแง่ไซตอบคําครู่เดียวทั้งหมดก็ย้อนกลับลงมาถึงบริเวณแองคารเวกที่ระบุในแผนที่เห็นระพินกับขยินกาลังใช้มีดเดินปา ขุดช่องโพรงซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าขนขยายกว้างออกดินบริเวณนั้นเป็นดินทรายร่วนจึงสะดวกอย่างยิ่งสำหรับการขยายปากทางให้กว้างออกและเห็นเป็นช่องกว้างประมาณสองวาเจาะลึกเข้าไปในบริเวณเนินดินเมื่อต่างสมสารเข้ามาถึงจอมพรานผู้รอคอยอยู่ก่อนแล้วก็บงการให้พวกลูกหาบวางหาบไว้ตรงปากโพรงด้านนอกแล้วต้าในคณะนายจ้างของเขามุดคานลอดปากโพรงดินนั้นเข้าไปก่อน ต่อมาจึงเป็นพวกพรานพื้นเมืองหลังจากนั้นเขาเองขยินและแง่ทรายสามคนจึงคลานเข้าไปทีหลังตำแหน่งนั้นทุกคนพบว่ามันเป็นหลุมหลอดภัยจากพายุและหาลูกเข็บได้เป็นอย่างดีมีเนื้อที่เป็นห้องยาวพอที่จะนั่งห่อตัวเบียดกันได้ทั้งสิสองคนโดยผนังดินอันกรุกขระด้านบนห่างศีรษะขึ้นไปไม่ถึงฝ่ามือไออุ่นของดินที่ถูกแดดเผาไว้เมื่อครึ่งวัน เชื่อบันเทาความหนาวเย็นสถานสั่นลงได้บ้างสายลมอันรุนแรงและลูกเห็บที่ซัดโปรยปลายอยู่ไม่อาจล่วงล้ำเข้ามาได้ระพินใช้กองสัมภาระทั้งหมดขวางกั้นปิดปากทางกันลมไว้อีกชั้นหนึ่งบัดนี้ทั้งสิบสองชีวิตร่วมตายนั่งกอดเข่าเบียดไลชคิดกันฟังเสียงพายุร้ายคำรามเกรียวกราดอยู่เบื้องนอกท่ามกลางความมืดมิดจนมองไม่เห็นหน้ากันได้ ภายในรูหรือโพรงดินแคบๆอันเคยเป็นรังของหมาป่าที่ขยินพบเข้าโดยบังเอิญ น, นั้นรอดจากวิกฤตการ์ไปได้ชั่วขณะหนึ่งเสียงชชยันผู้มักสงบปากคำไว้ไม่ได้สมุดสาบานสาบแช่งดินฟ้าอากาศอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครสนใจด้วยเพราะรุนิสัยกันดีอยู่แล้วดารินกมาเรียตัวสัน่นเป็นลูกนกนั่งกอดกันกลมริมฝีปากซีดเซียวคางกระทบกันกราว เชิฐาถอนใจเฮือกเอามือกุมขมับในท่าครุ่นคิดส่วนพรานให ญ, ญ่ผู้บัดนี้นั่งอยู่ส่วนด้านนอกริมปากโรงสุดกอดเขา่าปรีตามองออกไปยังอากาศุกษะเรรตเรื่องนอกสีหน้าเคร่งขึนปราศจากความ ร, รู้สึกใดๆให้ใครสังเกตเห็นได้เช่นเคยเฮ้ยนรกจกกระเปรตแท้ๆไม่แบบไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้าเลยนี่หว่า เสงชายังคงบ่นต่อไปไม่ขาดปากและดูเหมือนจะบ่นอยู่คนเดียวนี่ฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ทันจะขาดปากซะด้วยซ้ําก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่า ด, ดินฟ้าอากาศมันไม่ชอบโกลนอยู่มาเรียอดทนทนอยู่ไม่ได้เพราะความรําคาญจึงพูดมาอย่างหนุดหงิดนี่แล้วทุกคนไปนอะไรไปกันหมดนะเนี่ยนั่งกันเมื่อคนตายงั้นแหละไม่พูดอะไรกันมั่งสิ ช ย, ยันพูดดังเสียงเอะอะอยู่คนเดียวมองรอบตัวไปยังพักพวกทุกคนที่นั่งเบียดกันอยู่ไม่มีใครเขาบ้าบนสาบแช่งดินฟ้าอากาศเหมือนแกหรอกชา ย, ยันเจตหาเอาืขึ้นเป็นคำแรกเงีบเยบๆสงบใจสงบปากคำลงมั่งเถอะจะบ่นหรือร้องด่าอะไรไปสักเท่าไหร่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแกควรจะขอบใจพระเจ้าแล้ว ที่ช่วยพวกเราหาที่กำบังได้ปลอดภัยอย่างนี้ชยันและท่านหัวหน้าคณะก็เอื้อมมือไปตบสีรษะขยินเบาๆบอกว่านีกขยินพวกเราทุกคนได้พึ่งความรอบคอบตาไวของเจ้าในครั้งนี้ถ้าไม่มีโพรงหมาป่าโพรงนี้ที่เจ้าค้นพบไว้ก่อนพวกเราคนแย่ไปตามตามกันขยินหันมายิงฟันยิน่งใหแม้จะฟังไม่รู้เรื่อง แต่สัญชาตญาณของมันก็พอจะเข้าใจความหมายสารเสริญชมเชยของนายใหญ่ได้เป็นอันดีสิบสองคนพวกเราไม่มีใครอับจนปัญญาไปซะทั้งหมดรอกนายยายถึงนายใหญ่เองก็เคยพูดไว้แล้วนี่ว่าอีกสิบเอ็ดคนมืด อ, อย่างน้อยก็คงต้องมีคนนึงตาสว่างพวกเจ้านายทั้งหลายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเมื่อร่วมชีวิตกับพวกพรานใหญ่และพวกเรา บุญคำแปลให้เชิฐาและคณะทุกคนฟังชยันได้ยินก็หัวเราะเอฮอึอย่างอื่นนะพวกเราไม่กลัวราะคยยินแต่พวกเรากลัวผีว่ะเขาบอกให้ตาเท่าบุญคำช่วยเป็นลิ้นกระเรียงให้ครนนะีนผู้นะขนคยยินผู้นานๆจำโอกาสโบสักครั้งได้ยินคำของชยันจี้จุดอ่อนของมันเข้าก็หดคอลองชำเลืองคอนแล้วเลยไม่พูดอะไรอีก ดารินนั้นเงียบกริบไม่เอ่ยคำใดแก่ใครทั้งสิ้นหล้วหลับตาพนมมือนิ่งในใจนึกภาวนาถึงแต่ฤาษีโกนทัญะญขอให้ช่วยปัดเป่าสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ให้ผ่านไปซะโดยเร็วพร้อมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่หมู่คณะทุกคนระพินเสียงอดีต ท, ท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะเรียกนามเขาเบาๆ เ, เมื่อนั้นสุภาพบุรุษไพยจึงตื่นจากผวางัง ครับผมมันไปยังไงมายังไงกันนี่ผมไม่เข้าใจเลยนะไอ้จะว่าใต้ฝุ่นเราก็ไม่ได้อยู่ในทะเลหรือจะว่าทอร์นาโดก็ไม่เชิงฝนก็ไม่ตกมีแต่กระแสะลมหมุนแล้วก็ลูกเห็ุผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับคุณชายเพราะไม่เคยพบมาก่อนแต่สังเกตเห็นบรรยากาศมันพิกลแต่ แ, ตแรกแล้วอายุมันรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆ แทบจะมองเห็นรูปร่างได้ด้วยตาเปล่าทีเดียวแต่เชื่อว่ามันคงจะอารวาดอยู่ไม่นานนักหรอกครับอีกสักพักก็คงผ่านพ้นตอนนี้เรายังไม่อาจเคลื่อนไหวไปไหนได้ทั้งสิ้นนอกจากหลบอยู่ในนี้ล้วครับเชื่อทายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูกัดริมฝีปากแน่นเต็มไปด้วยความประหลาดอัศจรรย์ใจต่อสภาพของธรรมชาติที่กาลังคุกคามอยู่นี้ราวกับบันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์ของผีร้ายนี่ เราออกเดินทางกันมาไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้า น, นะเจอเขาให้แบบนี้ซะและ้วระยะทางต่อไปจะเป็นที่ราบโล่งอย่างนี้ตลอดปราศจากที่กําบังเลยจะโดนเขาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมว่าทํามันจะไม่เข้าการซะแล้วสินะไม่ว่าพายุไม่ว่าฝนหรือไม่ว่าลูกเห็บที่กระหน่าลงมาเรากระปินกลแบบนี้เราแย่ทั้งนั้นแหละระพินนิ่งไปพักใหตาสีเข้มในกรอบลึกเพ่งฟ่าสายลูกเห็บ ที่โปรยปรายลงมาพร้อมกับสายลมแรงด้วยอาการคลุ่นคิดแต่ก็เฉียบขาดมั่นคงต่อเป็นยิธานที่ตั้งไว้อย่างไม่สุกสถานคุณชายครับเราต้องฟันฝ่ามันไปครับต้องต่อสู้กับมันจนถึงที่สุดที่แล้วมนันะเราต่อสู้กับสับรพภัยจากสิงสาราสัตว์ต่อไปนี้เราคงต้องเผชิญหน้ากับภัยจากธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นด่านสุดท้ายแล้ว ระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวแต่ผมยังมั่นใจอยู่เสมอนะครับว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้มันไม่หนักหนาไปกว่าที่เราเคยผ่านพบมาก่อนแล้วะครับเพียงแต่แปลกและใหม่สําหรับเราเท่านั้นผมอยากจะคิดว่าสวรรค์เบื้องบนหรือมิฉะนั้นก็พระผู้เป็นเจ้าจงใจจะทดลองวิริยะมานะความภาคเพียรของเราเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหยิบยื่นรางวัลมาให้สําหรับตัวผมเองนะไม่ได้วันอะไรหรอก เมื่อประมาณชีวิตตนเองไว้แล้วว่าตายเมื่อไรที่ไหนก็ได้ครับเราทุกคนก็คิดอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละไพวันมาเรียสอดมาโดยเร็วหางเสียงกระด้างแต่การที่เราจะไม่หวั่นอย่างเดียวโดยไม่รเตรียมแผนการแก้ไขรับมือต่อสถานการณ์ไวล่วงหน้ามันก็ไม่ถูกเรื่องนะคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วในภูมิประเทศแบบนี้เราจะต้องเผชิญกัอะไรบ้างแต่คุณก็ไม่เตือนพวกเรา หรือจัดเตรียมอะไรไว้บ้างเลยต่อไปนี้ขอยรู้ไว้เถอะนะวันน้อยจะต้องทำงานหนักที่สุดเพราะพวกเราทั้งหมดจะต้องเผชิญกับความเจ็บ่า้ได้ป่วยจากธรรมชาติอันเลวร้ายของทุ่งมหานรกที่นี่ก็ถ้าผมเตื่นแล้วมันจะยังประโยชน์อันใดขึ้นมาหรือครับเพราะถึงยังไงเราก็ยังต้องเดินทางผ่านบริเวณนี้อยู่แล้วหรือจะให้เตือนว่ามันเป็นเขตอันตรายจากภัยธรรมชาติที่สุดแล้วหันหลังกลับกน อย่างงั้นเลยครับก็แล้วทาไมคุณไม่ตรัดเตรียมว่าจะแก้ไขยังไงบ้างล่ะเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นวิธีเตรียมที่ดีที่สุดก็คือน้ําใจอันกล้าหาญและมั่นคงของทุกคนซึ่งก็มีกันอยู่แล้ใจ้เตรียมอะไรมากกว่านี้ล่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้ปัญญาและฝีมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเท่านั้นมาเรียขยับปากจะเล่นงานเขาต่อไปอย่างไม่ลดละ แต่เชิดฐาตบไหลไว้ซะก่อนยกมือขึ้นบุกห้ามเอาละเอาละ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเถียงหรือทะเลาะโทษซัดอะไรกันเลยในภาวะเช่นนี้เมย์ก็ใจเย็นๆไว้บ้างฮะถึงยังไงระพินก็พบกับปัญหาหนักเหนือกว่าเราทุกคนอยู่แล้วมาแต่นี่นะระพินถ้าเราพบเหตุการณ์ข้าแบบนี้อีกระหว่างทางซึ่งผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าต้องเจอแน่เราจะทํำยังไงจะวิ่งหารูหลบเหมือนอย่างวันนี้หรือไง ร พ, พระพินไพรวันยิ้มกล้า่เกลียมผมมานึกออกเอาเมื่อพบกับโพรงหมาป่าที่รบหลบอยู่นี่แหละครับท้องทุ่งันกว้างใหญ่ที่เราจะเดินผ่านนี่เต็มไปด้วยสัตว์หากินชุกชุมอยู่ทั่วไปไม่ใช่เป็นเขตปลอดสัตว์สัตว์เหล่านั้นมันก็ต้องเผชิญกับธรรมชาติวิปริตอย่างที่เราพบกันอยู่เสมอเนี่แหละครับเมื่อเกิดอากาศวิปริตขึ้นมันจะต้องมีที่หลบซ่อนตัวไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้ผมคิดว่าต่อไปนี้ ตลอดระยะทางที่จะเดินไปนี่เราต้องสำรวจไปด้วยว่ามีแหล่งใดบ้างที่พวกสัตว์เหล่านี้อาศัยเข้าหลบซ่อนในเวลาเกิดพายุฝนพายุลูกเห็บหรือพายุใหญ่แบบวาตักซึ่งคงจะพบได้ไม่ยากนะักอาจจะเป็นโพรงใต้ดินแหล่งอับลมซึ่งถ้าไม่สังเกตให้รอบครอบก็อาจแลไม่เห็นในบริเวณที่แลดูราบโล่งเช่นนี้มาเกิดขับขันขึ้น เราจะได้เข้าไปอาศัยยึดที่หลบซ่อนซึ่งสัตว์มันเคยใช้เหล่านั้นได้คุณแน่ใจเหรอว่าจะหาได้ทันท่วงทีก่อนที่พวกเราจะเป็นอันตรายซะก่อนผู้กองชยันถามอย่างเป็นห่วงครับผมแน่ใจครับแหล่งอันตรายอยู่ที่ไหนแหล่งปลอดภัยมันก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องฉลาดในการสแสวงหาเท่านั้นนี่เป็นหลักเชื่อมั่นของนักเดินป่าทุกคนนะครับ พวกพันพื้นเมืองของผมทั้งหมดรวมทั้งขยินและสางปลานะมีประสาทสัมผัสพิเศษในด้านที่จะเสาะค้นหาแหล่งพักหลบซ่อนตัวของสัตว์ทุกตัวสายตาของคนที่ไม่ชำนาญอาจมองไม่เห็นและมองผ่านไปซะแต่สายตาของลูกปลาพวกนี้จะค้นพบจนได้เพียงแต่บอกให้พวกเขารู้เท่านั้นว่าต่อไปนี้จใจเขาแสวงหาอะไรสัตว์ทุกชนิดมีที่หลบพายุหรือฝนทั้งนั้นแหละครับไม่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้นะ ในที่เช่นนี้หรอกก็นีแหละคือสิ่งที่เราต้องการทราบจากคุณไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ยังพอได้มีความหวังอุ่นใจไว้บ้างแต่คุณน่ะไม่ยอมพูดอะไรเส้นเล ย, เยจริงๆนะไบรวันมาเรียต่อว่าไหมยิ่งพูดมากก็ยิ่งมีปัญหามากครับชัยันเปลยมาอย่างรู้ใจแล้วเอ่ยถามระพินมาว่านี่ผู้กอง ในลายแทงนะ่ะให้ข้อสังเกตอะไรไว้บ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับที่ราบตลอดระยะทางจากภูเขานิ l การจนถึงเนินพระจันทร์ก็ไม่เห็นบอกเป็นข้อสังเกตอะไรไว้เลยนะครับนอกจากที่หมายเป็นระยะไปเท่านั้นแต่สําหรับแผ่นดินกว้างใหญ่ผืนนี้ตั้งชื่อเอาไว้ด้วยเท่านั้นผมเพิ่งจะมารู้ความหมายของการตั้งชื่อโดยเจ้าของลายแทงเอาเดี่ยวนี้เองก็ตั้งชื่อไว้ว่างไง เชิดถากับชายันถามมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียวพระพินหัวเรากแค่นแค่ในลำคอยักไหลาตั้งชื่อว่าทุ่งลมกรดครับเชิทาอุทานอะไรออกมาคำนึงส่วนชายันอ้าปากข้างทุ่งลมกรดเหรอมีหน้าละ่ะถึงเจอลมกรดเข้าให้ย่งางถนัดใจเออว่าแต่มีโคกสายฟ้าอยู่ในทุ่งลมกรดนี่มั่งไหมละ่ะ ดารินผู้เข้าสมาธิมั่นภาวนาถึงฤาษีโกนธัญญะอยู่คนเดียวโดยไม่ ใ, ใครรู้หมดสิ้นสมาธิสัตว์กำปั้นทุบ ป, ปังเข้าไปกลางหลังของเพื่อนชายผู้ซึ่งวายาให้สมณาสมยาวอย่างถูกต้องว่าสหายปากเปราะนี่เชยันเมื่อไหร่จะเลิกพูดจาไม่เป็นภาษาในสถานการณ์อย่างนี้สักทีนะเห็นอะไรเป็นเล่นไม่ใช่เรื่อยก็ไม่ใช่เพราะปากพลอยๆอย่างนี้หรอ นึกทำให้พวกเราต้องวิ่งหารูหลบกันอยู่อย่างเงี้ยชายันสูตรปากลั่นหน้านิ้วคิ้วขมวดเฮ้ย น, น้อยเห็นฉันเป็นลูกไล่ซอมือเรื่องไงทุบท้องเตะทีบอยู่เรื่อยเลยก็อย่าพูดเลยเลยเถิดความจริงนะเธอทุบท้องนะเคยถ้าปากเสียพูดอะไรไม่เป็นสับประรดยอย่างเงี้ยแต่เตะถีบเนะ่ยยังไม่เคยฉันไม่ใช่คนบาบิเลียนนี่จะได้เตะทีบ ทำได้แม้กระทั่งผู้หญิงบทจะหน้ามืดขึ้นมาระวังให้ดีเถอะจะยุงให้เมกระสวกไส้กสักวันเพื่อนชายกำลังจะอ้าปากโต้ต่อแต่แล้วก็จำต้องหน้าแย่หุบปากนิ่งไปในบัดนั้นเพระดารินล้วง อ, อจุดอ่อนของเขาขึ้นมาประจานกันซึ่งหน้าอย่างไม่เกรงใจทั้งสองพูดกันตามลำพังเป็นภาษาไทยมารีจึงฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ เราได้ยินชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับประโยคนั้นด้วยมีอะไรพาดพิงถึงฉันเหรือน้อยแมม่สาวถามหน้าตาตื่นดารินฝืนหัวเราะกอดไหล่หล่อนไว้เปล่าหรอกเมฉันบอกชายันว่าจะพูดจะจาอะไรนะไม่ค่อยระมัดระวังปากเลยจะยุให้เธอตบปากสั่งสอนสักวันจำได้ไหมเขาบอกกับเธอว่าเขาชอบตายเย็นมากกว่าตายร้อน ยังไม่ทันจะขาดคำพูดเขาเลยพวกเราก็เกิดตายเย็นกันทั้งหมดนี่ทําไม่ใช่เพราะขยินคนพบที่หลบพักนี่มีหวังตายกันหมดแน่พวกเรานี่ก็โชคดีกันไปอย่างหนึ่งนะเจตตาเอ่ยขึ้นเรียบเรียบแต่ทุกคนฟังออกว่าเป็นเสียงประชดอย่างรำคาญใจจะทุกยากใกล้ตายกันยังไงก็ยังคลื้นรื่นเริงมีเรื่องพูดจาไราสาระกันอยู่ได้เสมอ คำพูดของพี่ใหญ่หัวหน้าคณะเช่นนั้นนั่นเองทำให้ต่างสงบปากคำลงไปได้พอกลุ่มเจ้านายนิ่งสงบไปตาบุญคำก็ปิดปากหัวร้องเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วกระแสะเบียดเข้ามาชิตชยันเอียงหน้าเข้ามากระซิบกระซาบไอทหารโคกสายฟ้านะ่คงไม่มีเขียนไวในานายแทงรบแต่อาจจะมีโคกชื่ อ, อย่างอื่นบุญคำมองเห็นคลับคล้ายคลับคลา อีตอนที่พรานใหญ่กางแผนที่ออกชัยันหลงกลพาซือกระซิบถามว่าเลิกๆโคกอะไรตาเท่าสับ ป, ปะโดต้องปากจอก่อเข้าไปที่หูชยันกระซิบบอกให้อย่างเบาที่สุดพอชัยันได้ยินก็สะดุ้งโยงเหวี่ยงข้อสอกท้องพลักเข้าให้จนสมุนมือขวาจอมแก่นของราพินเคเก้ไปอดีตนตายทหารปืนใหญ่หัว ร, รอบพืดพืดในลาคอ แล้วชี้หน้าบอกว่าประดีว๋วที่จะฟ้องแม่ไม่มีใครทันหันไปสนใจกับอาการจุกจิกของบุญคำกับชัยยันมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนจับเจา้ารอคอยอย่างอึดอัดเหลือที่จะกล่าวในโพรงแคบจำกัดที่แสนจะอับทึบนั้นอาศัยไอตัวของกันและกันเป็นเครื่องสู้หนาวชีวิตอันต่างชันวันลนะถูกลอล้อมเข้ามาเป็นชีวิตร่วมเดียวกันอีกวาระหนึ่ง คุณค่าของความเป็นมนุษย์และเลือดเนื้ออย่างเดียวกันพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดในภาวะเช่นนี้ปราศจากความรังเกียจเดียดฉันถือเอาชาติสกุลฐานะเข้ามากีดกันขวางกัน้นในโพรงแคบแคบที่อาศัยหลบภัยธรรมชาติกันอยู่ในขณะนี้ไม่มีบ่าวไม่มีนายไม่มีฐานันดรสูงสักหรืชาติเชื้อจะมีก็แต่เพื่อนร่วมตายที่จะต้องประครับประคองช่วยเหลือกัน ความหนาวเย็นอย่างที่ไม่เคยพบกันมาก่อนทําให้คนเหล่านี้เบียดชิดเข้ามาใกล้กันชนิดที่ร่างกายเกยทับกันเปะปะแทบไม่รู้ว่าใครเป็นใครคงมีแต่ระพินไพรวันกับแงซ า, ายเพียงสองคนเท่านั้นที่ห่างกลุ่มออกไปเฝ้าอยู่ปากโพรงเคียงกันอยู่คนละมุมเหมือนจะคอยเฝ้าดูพายุลูกเห็บว่าจะสานซ่ามเมื่อใดไม่ว่ากลุ่มนายจ้างจะร้องเรียกให้เข้ามารวมหมู่เช่นไร เขาทั้งสองก็คงปักหลักมั่นเป็นนายทวารอันมั่นคงขวางด่านแรกไว้เช่นนั้นอดีตนายร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนไทยและอดีตนายร้อยโทแห่งกองโจรเกรียยสงบนิ่งไม่ได้พูดคดําใดกันเลยและดูประหนึ่งว่าทั้งสองจะกลายเป็นแท่งขิปไปแล้วฉะนั้นประมาณชั่วโมงเศษของการที่ไม่ได้ขยับเขยื่อนไปไหนได้เลยนอกจากคุดคู่กันอยู่ในรูเหมือนตัวตุ่น พายุลูกเห็บจึงเริ่มสังซาเบาบางลงและในที่สุดก็สงบทุกคนแทบจะขยับขยื่นกายไม่ได้เพราะความหนาวเหน็บต่างค่อยๆทยอยกันคลานออกมาจากที่กำบงังอากาศสว่างขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังค้นหนักบกคลุมไปด้วยละอองหมอกอยู่ทั่วไปจนไม่สามารถจะมองอะไรได้เห็นในระยะไกลหันไปทางไหนก็แลเห็นแต่ฉากสีเทา กั้นขวางไว้รอบทิศลูกเห็บที่กระนำโปรยลงมาพอๆกับหาฝนบัดนี้กลาดเกลื่อนเต็มพื้นที่และเห็นเกล็ดขาวใสเหมือนกรวดแก้วรอเวลาที่จะละลายเป็นหยาดน้ําต่อไปทั้งหมดเหลียวมองไปรอบๆ อ, อย่างมึนงงต่อสถานการณ์และพากันเงียบงันไปชั่วขณะหนึ่งอย่างพูดอะไรไม่ถูกเหมือนมีอะไรมายึดลิ้นไว้ ทุกคนไม่มีเสียงที่จะพูดคำใดกันได้ตั้งแต่หลายสิบนาทีมาแล้วตลอดระยะเวลาที่พายุน้ำแข็งโหมหนักพากันซึมไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสยกับส่างปาสั่นเทิมไปหมดทั้งกายเหมือนจะจับไข่าชายันนั้นบ่นพึมพำกับตนเองรำพึงถึงแบรนดีของคณะซึ่งหมดไปนานนมละบัตรนี้เขาต้องการมันอย่างที่สุดและเชื่อว่าถ้ามันมีเหลืออยู่ ก็จะช่วยสถานการณ์อันใกล้จะแข็งตายของพรรคพวกทุกคนได้มากเฉถามีความคิดที่จะก่อไฟแต่ก็สิ้นหวังเพราะปราศจากไม้ที่จะใช้ทำฟืนได้แม้แต่ท่อนเดียวนอกจากก้อนน้ำแข็งเหมือนใครมาทุบโรยไว้ทั่วไปเขาก็ทำได้เพียงแค่งัดกล้องยาเส้นขึ้นมาจุดสูบและอาศัยไออุ่นจากกล่องนั้นอ่างฝ่ามือที่แทบจะยึดนิ้วไม่ออกมาเรียผู้สามารถทนความหนาวเย็นได้มากกว่าใคร พระสายเลือดเมืองหนาวยามนี้ก็ยังต้องรื้อคนถุงย่ามงัดถุงมือหนังกระเสื้อแจ็คเก็ตออกมาสวมทุกคนพากันยืนเงอะ ง, งะกันอยู่ตรงบริเวณปากโรงถ้ำนั่นเองบางก็นั่งลงคูตัวประสานมือไว้ใต้คางหนาวสัน่นจนไม่อยากขยับขยืนไปไหนครั้นแล้วระพินก็เดินตรงเข้าไปที่คณะนายจ้างของเขาผู้กำลังหนาวสถานอยู่อย่าช้าเลยครับ รีบเดินทางต่อกันเถอะระพิดพี่พวกเรากําลังจะแยกกันอยู่เลยนะกลัวจะฝ่าทุ่งลูกเห็บนี้ไปไม่ได้ไกลนะจนกว่าอากาศมันจะดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้หรอกครับถ้าขืนอยู่ชาจะทารุณหนักลงไปกว่านี้การเดินออกกําลังจะช่วยร่างกายเกิดพลังงานความร้อนขึ้นผมคิดว่าบริเวณที่พายุลูกเห็บตกคงไม่กว้างไกลนะักถ้าเราผ่านพ้นบริเวณนี้ไปได้จะพบพื้นที่แห้งและอากาศอบอุ่นขึ้นแล้ว ถึงค่อยพักครับเขาบอกอย่างตัดสินใจเด็ดขาดเชทฐาทังใจอยู่ครู่เดียวก็เห็นด้วยหันไปรองบอกฝ่ายของเขาให้เตรียมตัวทันทีขณะนั้นเองดารินก็วิ่งหน้าซีดเซียวเข้ามาระพินเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ได้ยังไงกันสางปากระสืยกำลังจะแข็งตายอยู่แล้วขยับขยื่นไม่ได้เลยทุกคนหันขับไปทางเดียวกันหมดร่างของเสยกับสางปา นอนงอก่องอขิงอยู่ปากโพรงมีอาการเป็นตะคริวแข็งไปหมดทั้งตัวระพินกระโจนเข้าไปในทันทีนั้นและทุกคนก็กรูกันเข้าไปมุงล้อมไว้ทั้งหมดพรานใหญ่ซุดตัวลงประคองกอดคนของเขาไว้ในอ้อมแขนในขณะที่มาเรียกก็โดดเข้ากอดสางปาไว้ช่วยกันเขยา่าเรียกเสียงลั่นไปหมดเสยนั้นพูดอะไรไม่ได้นอกจากกรอกตาอยู่ไปมาแม้แต่นิ้วมือที่ประสานกันอยู่ก็ยังแข็งค้าง แกะไม่ออกส่วนสางปายังพอจะออกเสียงได้นัน้นานานแมม จ, จ, จ, จางจางปลาตายแน่แน่แล้วมันบอกกับนายสาวคนสวยของมันกระท้อนกระแทน่นแทบไม่เป็นคำมาเรียร้องลั่นออกมาอย่างตกใจพยายามแกะมือเจ้า่าตตองสู่ของหลอนออกและเอาฝ่ามือตนเองถงแงูแรงๆเพื่อช่วยให้เกิดความอบอุ่น เป็นการกระทำเท่าที่จะคิดได้ในยามนี้เพื่อช่วยเหลือคนใช้คู่ชีพเอาไว้ปากก็ร้องเร่งให้หมอดารินช่วยเสียงหลงแพทยสาวประจำคณะยามนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตะลึงอยู่เพราะจนปัญญานึกไม่ออกว่าจะหาทางช่วยได้ยังไงนอกจากความอบอุ่นเท่านั้นเชิดาร้องสั่งให้คนอื่นๆเรือหอสัมภาระเพื่อขนผ้าห่มออกมาโดยเร็วระหว่างที่ทั้งคณะ กำลังชุนละมุนวิ่งพล่านกันด้วยความตกใจเพราะเหตุการณ์อันคาดไม่ถึงนี่เองบุญคำก็ก้าวเข้ามาขวางหน้าทุกคนไว้ไม่มีประโยชน์หรอกนายผ้าห่มไม่ว่าจะซักกี่พื้นก็ไม่สามารถช่วยคนที่กำลังจะตายเพราะตะคริวจัดทั้งตัวได้